กันตะ ก, กีสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ป่าติเกนตะ ก, กีวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าติกันตะ ก, กีวันเขตเมืองสาเกตณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลตามการอันควร 2. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลตามการอันควร 3. ภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลตามการอันควร 4. ภิกษุพึงมีสัญญาว่า ไม่ปฏิกรูนในสิ่งปฏิกรูลและสิ่งไม่ปฏิกรูลตามการอันควร 5. ภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกรูนและสิ่งปฏิกรูลแล้วเป็นผู้มีอุเบขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตามการอันควรภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกรูลในสิ่งไม่ปฏิกรูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่า ปฏิคูลในสิ่งไม่ปฏิคูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิคูลในสิ่งปฏิคูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิคูลในสิ่งปฏิคูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคือง อย่าเกิดข <Tao wavelength S 1> <term> ึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคือง อย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงมีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองอยาเกิดขึ้นแก่เราความกำหนัดในธรรมเป็นเหตุให้กำหนัด อย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่า ความกำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุให้กำหนัดในอารมณ์ไหนๆในส่วนไหนๆแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองในอารมณ์ไหนนในส่วนไหนนแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความหลงในธรรมที่เป็นเหตุให้หลงในอารมณ์ไหนนในส่วนไหนนแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เรา ติการตะคีสูตรที่4จบ 5. นิยยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมประการย่อมดำรงอยู่ในนรก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 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้นิริยสู่ที่หจบ มิตรสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรครบเป็นมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำห้าประการไม่ควรครบเป็นมิตรทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ใช้ให้ทำการงาน 2. ก่ออธิกรณ์ 3. โกรต่อภิกษุผู้เป็นประธาน 4. เที่ยวแจาริกไปในสถานที่ไม่สมควรตลอดกาลนาน5 ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจฐารแ ก, กล่าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกราตามการอันควรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหละไม่ควรครบเป็นมิตรภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการควครคบเป็นมิตรธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ไม่ใช้ให้ทำการงาน 2. ไม่ก่ออธิกรณ์ไม่โกรธต่อภิกษุผู้เป็นประธาน 4. ไม่เที่ยวแจริกไปในสถานที่ไม่สมควรตลอดกาลนาน 5. สามารถชี้แจงให้ภิกษุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อ า, านฐารแกล่ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคะถาตามการอันควร ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลควรครบเป็นมิตรมิตส 6, สราาสูตรที่หจบเจ็ดอาซปุริสทานสูตรว่าด้วยอาศปุริสทานภิกษุทั้งหลาย อา ป, ปุริสทานทานของอสซ ป, ปุรุฎหประการนี้อศซาปุริสทาน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้โดยไม่เคารพ 2. ให้โดยความไม่อ่อนน้อม 3. ไม่ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่เป็นเดน 5. ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงก็ให้ภิกษุทั้งหลายอาซาปุริสธาน5ประการนี้แหล ภิกษุทั้งหลายสั ป, ปุริสธานทานของสัตบุรุษ5ประการนี้สั ป, ปุริสธานหาประการอะไรบ้างคือ 1. ให้โดยเคารพ 2. ให้ด้วยความอ่อนน้อม 3. ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของที่ไม่เป็นเดนห้ 5. เห็นผลที่จะพึงมาถึงจึงให้ภิกษุทั้งหลายสั ป, ปุริสธานหาประการนี้แหละ อส ป, ปุริสถานสูตรที่7จบ 8. ส ป, ปุริสถานสูตรว่าด้วยส ป, ปุริสถานภิกษุทั้งหลายส ป, ปุริสถานห้าประการนี้ส ป, ปุริสถานหประการอะไรบ้างคือ 1. หให้ทานด้วยศรัทธา 2. ให้ทานดโดยเครารพ 3. ให้ทานตามการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นภิกษุทั้งหลายสัตบบรูดคร่้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใส มีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลต็ตผลครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้ที่บุตรภัญญาทาตคนใช้และกรรมกรตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดศัดับตั้งใจใฝ่รู้ครั้นให้ทานตามการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และเป็นผู้มีความปรารถนาที่เกิดขึ้นตามการ amel, บริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิดผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรมคุณหสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก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 4. ความเป็นผู้ชอบการครุกคลีด้วยหมุ่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1.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 ปฐมสมยวิมุตตสูตรที่9จบสิบทุติยสมยวิมุตตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย ทำหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตติทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 5. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลาย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 4. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 5. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตติทุติยสมยวิมุตตสูตรที่10จบติกันทะ ก, กีวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง อวชานาติสูตร 2. อ, อาระพะติสูตร 3. ส, สารันทสูตร 4. ี่ติกันท ก, กีสูตร 5. นิระยะสูตร 6. มิตรสูตร 7. อสัปุริสถ า, านาสูตร 8. สปุริสถ า, านาสูตร 9. ก้าวัมสมยวิมุตตะสูตร10 ทุติยสมยะวิมุตตะสูตรตติยปัญ น, นาจบ 4. จตุตจธะปัญ น, นาตหนึ่งสัตธรรมวักหมวดว่าด้วยพระสัตธรรมหนึ่ง พโมมสัมมัตตนิยา ม, มาสูตรว่าด้วยสัมมัตตนิยามสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการแม้ฟังสัตธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามในคุศสธรรมทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. วิภาควิจารคำพูด 2. งวิพากวิจารผู้พูด 3. วิภาควิจารตน 4. เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านคือมีจิตไม่แน่วแน่ฟังธรรม 5. มนัสการโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลแม้ฟังสัตธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สมมตานิยามในคุณสนธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรมประการฟังสัตธรรมอยู่ เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สมมตนิยามในคุสนธรรมทั้งหลายทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่วิพากวิจารณ์คำพูด 2. ไม่วิพากวิจารณ์ผู้พูด 3. ไม่วิพากวิจารณ์ตน 4. เป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านคือมีจิตแน่วแน่ฟังธรรม 5. มานุสการโดยแยบข่ายภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลฟังสัจธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่ส ม, มัตนิยามในคุสนธรรมทั้งหลายพระธมะสัมมัตนิยามสูตรที่หนึ่งจบสอง ทุติยส ม, มัตนิญามสูตรว่าด้วยสมมตนิยามสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมหประการแม้ฟังสัตยธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. วิภาควิจารคำพูด 2. วิภาควิจาร์ผู้พูด 3. วิภาควิจาร์ตน 4. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซ่อหถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลแม้ฟังสัตยธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สัมมตนิยามในคุสรธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการฟังสัตยธรรมอยู่ เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สมมตนิยามในขุสมณธรรมทั้งหลายทํา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่วิพากควิจารณ์คําพูด 2. ไม่วิภาควิจารณ์ผู้พูด 3. ไม่วิภาควิจารณตน 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะหไม่ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลฟังสัตว์ธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่ส ม, มัตนิยามในคุูสุนธรรมทั้งหลายทุติยส ม, มัตนิยามมาสูตรที่สองจบ 3. ตติยส ม, มัตนิยามมาสูตร ว่าด้วยสมัตนิยามสูตรที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำหประการแม้ฟังสัตวธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สมัตินิยามในกุศลธรรมทั้งหลายทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ลบหลู่คุณท่านฟังธรรมถูกความลบหลู่คุณท่านกลุ้มรุมฟังธรรม 2. มีจิตแข็งดี คอยจับผิดฟังธรรม 3. ม, มีจิตกระทบมีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรม 4. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซห้ 5. ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สมม ะ, ะนิยามในกุูสนธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลประกอบด้วยทำหม5ประการฟังสัตว์ธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่ส ม, มัตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ถูกความลบหลู่คุณท่านกลุ่มรุมฟังธรรม 2. ไม่มีจิตแข่งดีไม่คอยจับผิดฟังธรรม 3. ไม่มีจิตกระทบไม่มีจิตกระด้างในผู้แสดงธรรม 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซ่อ 5. ไม่ถือตัวว่ารู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมประการนี้แหลฟังธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สมมันิยามในกุศลธรรมทั้งหลายตติยะสมมนิยามสูตรที่สจบ ปฐมมสัต ร, ธธ ร, รมสัมโมสสูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัตธธ ร, รมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธธ ร, รมทำหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ 2. ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ 3. ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ 4. ไม่คร่ครวนอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วโดยเครารพ 5. รู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัจธรรมภิกษุทั้งหลายทำห5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่น ไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือพิสุในธรรมวินัยนี้ 1. ฟังธรรมโดยเคารพ 2. เรียนธรรมโดยเคารพ 3. ทรงจำธรรมโดยเคารพ 4. ใครโครนอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วโดยเคารพ 5. รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตรธรรมปฐมสัตทธรรมสัมโมสสูตรที่สจบ 5. ทุติยสัตทธรรมสัมโมสสูตร ว่าด้วยเหตเสื่อมแห่งพระสัตธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งไม่เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรม และเวทันละนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่ง ส, สัต์ธรรม 2. ไม่แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร น, นี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม 3. าไม่บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา แก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัต ธ, ธรรมสไม่ทาการสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัต ธ, ธรรมหไม่ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจ ซึ่งทำตามที่ตนได้สะดับมาตามที่ตนได้เรียนมานี้เป็นธรรมประการที่หย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งจัตธรรมภิกษุทั้งหลายทำหประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งจัตธรรมทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งจัตธรรม ทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมและเวทันละนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสู์ไม่หายไปแห่งสัตธรรม 2. แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูนไม่หายไปแห่งสัตยธรรม 3. บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารนี้เป็นธรรมประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมส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 ไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมทุติยสัตธรรมะสัมโมสสูที่ห้าจบ สติยะสัตธรรมสัมโมส ส, สูตรว่าด้วยเหตุเสื่อมแห่งพระสัตธรรมสูตรที่สภิกษุทั้งหลายทำหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสู์หายไปแห่งสัตธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เล่าเรียนพระสูตรที่เล่าเรียนกันมาไม่ดี้ดวยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี แม้อาจแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตรรม 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทาให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนรับฟังคำพร่มสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สอง ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัต์ธรรมสาิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรเรียนจบคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติ ก, กาไม่ถอยทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงละไปสูตรก็ขาดรากฐานไม่มีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรม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 เป็นผู้นำในโอกรมณธรรมท่อธทุระในปวิเวกไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี้เป็นธรรมประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสั์ธรรม 5. สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริาพาทกัน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 ไม่หายไปแห่งสัตธรรม 2. ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทาให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่มสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม 3. ภิกษุเป็นพหูสูรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติ ก, กา ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรไม่ขาดรากฐานมีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสู์ไม่หายไปแห่งสัตยธรรม 4. ภิกษุเป็นเถระไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดธุระในโอกระณะธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง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 หมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี้เป็นธรรมประการที่ห้าย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมพิสุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรมตติยะสัตรธรรมะสัมโมสสุที่ห เจ็ดทุกกะกถาสูตรว่าด้วยการพูดเป็นเรื่องไม่ดีและเรื่องดีสำหรับผู้อื่นภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลจําจำพวก เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลการพูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคล5าจำพวกไหนบ้างคือ 1. การพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธา 2. การพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีล 3. การพูดเรื่องพาหุสัจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตะน้อย 4. การพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตรณี 5. การพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสาม 5. การพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ไม่มีศรัานั้นไม่พิจารณาเห็นศรัทฐาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัาในตนและไม่ได้ปิติปราโมทที่มีศรัตฐานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศรัาจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ไม่มีศรัาการพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ทุศีลเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ทุศีล เมื่อพูดเรื่องศีลก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้ทุศี น, นั้นไม่เห็นศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลในตนและไม่ได้ปีติปราโมทที่มีศีลสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับบุคคลผู้ทุศีลการพูดเรื่องพาหุสัจจะ เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยนั้นไม่พิจารณาเห็นสุตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสุตตะในตน และไม่ได้ปีติปราโมที่มีสุตตะสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องพาหุสัจจะจึงเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับบุคคลผู้มีสุตตะน้อยการพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับบุคคลผู้ตรณีเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ตรณีเมื่อพูดเรื่องจาคะก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ตรณีนั้นไม่พิจารณาเห็นจคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะในตนและไม่ได้ปีติปราโมทที่มีจคะสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องจาคะจึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้ตรณีการพูดเรื่องปัญญ า, าเป็นเรื่องไม่ดีสาหรับบุคคลผู้มีปัญญาซามเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาซาม เมื่อพูดเรื่องปัญญาก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาซามนั้นไม่พิจารณาเห็นปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาในตนและไม่ได้ปิติปราโมที่มีปัญญาสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องปัญญา จึงเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับบุคคลจําจำพวก น, นี้แหละเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลจําจำพวกเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลจําจำพวกไหนบ้างคือ 1. การพูดเรื่องศรัทธา เป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธา 2. การพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีล 3. การพูดเรื่องพหุสัจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูตรสการพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีจาคะ 5. การพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญา การพูดเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ครึงเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศรัทธานั้นพิจารณาเห็นศรัทธาสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมที่มีศรัทธาสัมปทานนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้นการพูดเรื่องศ ร, รทัทธาจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศ ร, รทัทธาการพูดเรื่องศีลเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีลเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีศีลเมื่อพูดเรื่องศีลก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ครึ่งเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะบุคคลผู้มีศีลนั้น พิจารณาเห็นสีละสัมปทาในตนและได้ปิติปราโมที่มีสีละสัมปทานั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีศีลการพูดเรื่องพาหุสัจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูตรเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้เป็นพาหุสูตรเมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ขลึนเคียด ไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้เป็นหูสูตรนั้นพิจารณาเห็นสุตตะสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมที่มีสุตตะสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องผาหุสัจจะ จ, จึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้เป็นพหูสูตรการพูดเรื่องจาคะเป็นเรื่องดีสาหรับบุคคลผู้มีจาคะเพราะเหตุไร เพราะบุคคลผู้มีจาคะเมื่อพูดเรื่องจาคะก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ครื่องเคียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะบุคคลผู้มีจาคะนั้นพิจารณาเห็นจาคะสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมที่มีจาคะสัมปทานนั้นเป็นเหตุฉะนั้นการพูดเรื่องจาคะจึงเป็นเรื่องดีสําหรับบุคคลผู้มีจาคะ การพูดเรื่องปัญญาเป็นเรื่องดีสำหรับบุคลญญบคลผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อพูดเรื่องปัญญาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่คลึงเครียดไม่แสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้มีปัญญานั้นพิจารณาเห็นปัญญาสัมปทานในตนและได้ปิติปราโมที่มีปัญญาสัมปทานนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้นการพูดเรื่องปัญญาจึงเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายการพูดเป็นเรื่องดีสำหรับบุคคลห้าจำพวกนี้แหลเมื่อเทียบบุคคลกับบุคคลทุกะกถาสูตรที่7จบ